พระโพธิสัตว์สุตสมดำริว่าหากจะขอพรไม่ให้โปริสัทกินเนื้อมนุษย์ก็จะทำให้เขาลำบากเกินไปเสียแต่เบื้องแรกเราควรขอพร อ, อื่นๆก่อนจึงกล่าวว่าผู้เป็นอริยะกับผู้เป็นอริยะ ย่อมมีศักิ์เสมอกันผู้มีปัญญากับผู้มีปัญญาย่อมมีศักิ์เสมอกันข้าพเจ้าขอพอรประการแรกคือขอให้ท่านเป็นผู้หาโรคมิได้ชีวิตยืนยาวถึงร้อยปีนี้เป็นพรประการที่หนึ่งปริศาทได้สดับดังนั้นจึงดำริว่าน่าชื่นใจนะักพระเจ้าสุตสมนี้ยังปรารถนาดีต่อเราผู้เป็นโจร กำจัดเขาเสียจากอิสรภาพใครจะกินเนื้อเขาอยู่แล้วเรากำลังจะทําความพี่นาฏใหญ่แก่เขาแต่เขายังใกล้ประโยชน์ต่อเราแม้จะขอพรก็เลือกขอพรที่เป็นประโยชน์ต่อเราเป็นผู้น่าสารเสรินนักโอริษาจึงให้พรประการที่หนึ่งนั้นแล้วขอร้องให้สุตโสมขอพรประการที่สองพระเจ้าสุตโสมจึงตรัสว่า ข้าพเจ้าขอพอรประการที่สองคือขอท่านอย่าได้ฆ่าและกินกษัตริย์ที่ท่านจับมาได้นี้และข้อที่สให้ปล่อยกษัตริย์เหล่านั้นไปครองแคว้นของตนของตนโริษานอนุญาตพรทุ ก, ป ร, กรททออรประการที่สุตสมโพธิสัตว์ขอแล้วเมื่อจะขอพรประการที่สจึงตรัสว่าแคว้นของท่านเกิดความเดือดร้อน เพราะประชาชนเป็นอันมากกว่าเสียวเพราะเกรงภัยที่เกิดจากท่านพากันหนีเข้าหาที่ซ่อนเร้นขอท่านจงเว้นการบริโภคเนื้อมนุษย์เสียเถิดนี่คือพรที่สี่ที่ข้าพเจ้าปรารถนาเมื่อพระโพธิสัตว์ตรัสเช่นนี้โจรปริสัทตบมือหัวเราะและทูลว่าสหายสุตสมพูดถึงเรื่องนี้ละหรือ พรนี้เท่ากับขอชีวิตข้าพเจ้าจะถวายแก่ท่านได้อย่างไรโปรดขอพอรอย่างอื่นเถิดเนื้อมนุษย์เป็นอาหารที่ชอบใจยิ่งของข้าพเจ้ามาเป็นเวลานานแล้วข้าพเจ้ายอมทนลำบากมาอยู่ในปาก็เพื่อความสุขจากการเสพเนื้อมนุษย์ข้าพเจ้าเว้นการบริโภคเนื้อมนุษย์ไม่ได้ขอท่านโปรดขอพอรอย่างอื่นเถิดลาดับนั้น พระโพธิสัตว์จึงตรัสว่าท่านกล่าวว่าไม่อาจเว้นการบริโภคเนื้อมนุษย์ได้เพราะเป็นของรักยิ่งก็ผู้ใดทำบาปเพราะเหตุแห่งของรักผู้นั้นเป็นผานดูก่นโปริสัตเมื่อท่านคิดอยู่ว่านี่เป็นของรักแห่งเราแล้วทำบาปเพราะของรักนั้นก็ชื่อว่าทำตนให้เหินห่างจากความดีจะไม่ได้ประสบสิ่งอันเป็นที่รักทั้งหลาย ตนแลประเสริฐที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดเพราะตนที่บุคคลอบรมแล้วภายหลังจะพึงได้รับสิ่งอันเป็นที่รักทั้งหลายบุคคลผู้ทอดทิ้งความดีเสียแล้วแม้ของอันเป็นที่รักก็ไม่อาจรักษาไว้ได้ตนอันเป็นที่รักยิ่งกว่าสิ่งใดก็ไม่อาจคุ้มครองรักษาให้พ้นภายคือความชั่วอันมีลักษณะดึงเหนี่ยวตนให้ต่าลงแล้ว จะคุ้มครองรักษาสิ่งอันเป็นที่รักอย่างอื่นได้อย่างไรเมื่อพระโพธิสัตว์ตรัสอย่างนี้โจรบริษัทรู้สึกหวาดหวัน่นดําริว่าเราไม่อาจให้ท่านสุตสมปล่อยพร น, นี้เสียได้กระมังมังสะมนุสเล่าเราไม่อาจงดได้จะทําอย่างไรดีหนอถ้าเขาขอพร อ, อย่างอื่นเราก็จะให้ทันทีแต่นี้ขอให้เว้นการบริโภคเนื้อมนุษย์ เราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรโภริษาสตรมีดวงเนตรนองด้วยอสุชนกล่าวว่าเนื้อมนุษย์เป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้าดูก่อนสุตสมขอท่านจงทราบความจำเป็นไว้บ้างเถิดว่าข้าพเจ้างดเว้นไม่ได้มันเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้าพระโพธิสัตว์ตรัสว่าผู้ใดทาความชั่วพระมัวคิดรักษาของรัก โดยการยึดมั่นว่านี่เป็นของรักของเราเขาทำตนให้เหินห่างจากความดีเสพของรักทั้งหลายอยู่เหมือนนักเลงดื่มสุราที่เจือยาพิษคนนั้นจะต้องประสบทุกข์ในเบื้องหน้าเพราะความประพฤตนั้นส่วนบุคคลใดรู้จักตัวดีไม่ทาบาปเพราะของรักเสพอริยธรรมแม้ด้วยการฝืนใจเหมือนคนป่วยที่มีความทุกข์ จำใจดื่มโอสถบุคคลนั้นจะได้รับความสุขในเบื้องหน้าเพราะความประพฤตินั้นเพราะฉะนั้นท่านจงดื่มโอสถจงรู้สึกตัวเถิดปริศาสตร์กล่าวว่าข้าพเจ้าต้องละทิ้งชนกชนนีทั้งเบญจกรกรมคุณอันหน้าเพลินใจยิ่งมาอยู่ในป่าก็เพราะพอใจในมังสะมนุษย์ถ้าข้าพเจ้าให้พรนั้นแก่ท่าน ก็เท่ากับให้ชีวิตทีเดียวพระโพธิสัตว์ทักท้วงว่าพวกบัณฑิตย่อมไม่กรา ว, วาจาเป็นสองพวกสัตว์บุรุษย่อมมีปฏิพานเป็นสัตว์ท่านได้ขอให้ข้าพเจ้ารับพรเมื่อข้าพเจ้าขอรับเหตุฉนไหนท่านจึงบิดปลิวบริษัทร้องไห้อี แล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องทนรับบาปมานานมีชีวิตเศร้าหมองหาบุญลาบมิได้เสื่อมยศเสื่อมเกียรติก็เพราะการกินเนื้อมนุษย์กระหายในเนื้อมนุษย์ข้าพเจ้าจะให้พอนี้ได้อย่างไรลำดับนั้นพระโพธิสัตว์เมื่อจะคมขู่โพริสัตด้วยคําของโพริสัตเองจึงกล่าวว่าดูก่อนสหายโพริสัต ท่านกล่าวเองไม่ใช่หรือว่าบุคคลให้พรใดแล้วกลับไม่ให้ก็ไม่ควรจะให้พร น, นั้นขอสหายจงมั่นใจรับพรเถิดแม้ชีวิตข้าพเจ้าก็อาจสละให้ท่านได้จงระลึกเถิดสหายิบริษัทว่าท่านได้กล่าวคําทํานองนี้หรือไม่ถ้าท่านได้กล่าวจริงท่านจะทําอย่างไรกับคําที่กล่าวไปแล้ว และแล้วเมื่อจะสนับสนุนให้โปริศาทอาจหานในการให้พรจึงตรัสว่าการเสียสละชีวิตได้นั้นเป็นธรรมของสัตว์บรุษสัตว์บรุษย่อมมีปฏิญญาเป็นสัตว์ทีเดียวพรใดอันท่านเคยอนุญาตแล้วจงให้พรนั้นเสียโดยเร็วขอท่านจงสมบูรณ์ด้วยธรรมของสัตว์บรุษเถิดบุคคลพึงสละทรพัพเพื่อรักษาอวัยวะอันประเสรศิฐ พึงยอมสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเมื่อละลึกถึงธรรมเคารพธรรมก็พึงสละอวัยวะทรัพย์และชีวิตเพื่อรักษาธรรมและเพื่อให้โพริสัตยละลึกถึงพระองค์ในฐานะปริตสดาจารย์ของตนพระโพธิสัตย์จึงกล่าวอีกว่าบุคคลใดรู้ธรรมจากผู้ใดหนึ่งผู้ใดเป็นสัตว์บุรุษบรรเทาความสงสยัย ของบุคคลนั้นได้หนึ่งท่านทั้งสองนี้เป็นที่พึงพำนักของบุคคลนั้นบัณฑิตไม่พึงทำลายไมตรีจากท่านดูก่อนโปริศาสตร์ข้าพระเจ้าขอกล่าวย้าเพื่อท่านแน่ใจได้อีกอย่างหนึ่งว่าคนที่เราไม่ควรทำลายไมตรีนั้นมีอยู่สองพวกคือบุคคลผู้สอนธรรมแก่เราและบุคคลผู้เป็นสัตว์บุรุษ บรรเทาความสงสัยของเราได้เมื่อมีสิ่งติดขัดคุณสมบัติทั้งสองประการอาจอยู่ในคนคนเดียวกันได้พระโพธิสัตว์ตรัส ต, ต่อไปว่าดูก่อนสหายโปริสัตว์คำของอาจารย์ผู้มีคุณใครๆไม่ควรทำลายเสียข้าพเจ้าเป็นปริศดาจารย์ของท่านให้ท่านศึกษาศิลปะเป็นอันมากแม้ในเวลาที่ยังทรงพระเยาว บัดนี้ได้กล่าวสตารหาคาถาแก่ท่านด้วยพุทธลีลาอันประเสริฐเพราะฉะนั้นขอท่านจงทำตามคำของข้าพเจ้าโจรปริษาสได้สดับพระวาจาพระโพธิสัตว์เช่นนั้นความเสียดายเนื้อมนุษย์และความละอายใจก็ประดังขึ้นมาพร้อมกันอำนาจทั้งสองสู้กันอยู่นานปริษาสคิดว่าท่านสุตสมเป็นอาจารย์ของเรา และพรเราก็ได้ถวายแก่พระองค์แล้วอันธรรมดาความตายบุคคลที่เกิดมาแล้วย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะต้องตายแน่นอนเมื่อเป็นดังนี้จะกลัวใหญ่กับความตายเราจะให้พรแก่พระเจ้าสุตโสมเราจะไม่กินเนื้อมนุษย์อีกต่อไปมีอสุชนนองหน้าลุกขึ้นถวายบังคมพระบาทพระเจ้าสุตโสมจอมนรินแล้วกล่าวว่า เนื้อมนุษย์เป็นอาหารที่พอใจของข้าพเจ้ามานานทีเดียวข้าพเจ้าเข้าป่าก็เพราะเรื่องนี้แต่เพราะท่านขอข้าพเจ้าจึงต้องยินยอมสละสิ่งที่มีค่าเท่าชีวิตพระโพธิสัตว์ได้สดับดังนั้นเกิดปีติสมนัตอย่างใหญ่หลวงขอร้องให้โพธิสัตว์ดำรงอยู่ในศีลห้าโพธิสัตว์ก็รับด้วยดี และขอให้พระโพธิสัตว์ไปปลดปล่อยกษัตริย์ที่ตนเคยจับมาไว้ด้วยไม่กล้าปล่อยด้วยตนเองเกรงกษัตริย์เหล่านั้นจะทําร้ายสุตโสมขอร้องให้กษัตริย์เหล่านั้นให้อภัยแก่โพธิสัตว์กษัตริย์ทั้งหลายก็ยินยอมด้วยดีไม่คิดประทุษร้ายตอ่อเพราะคิดว่าการได้พ้นภัยครั้งนี้ก็เป็นลาบอันใหญ่หลวงอยู่แล้วทั้งพระโพธิสัตว์และอดีตพระเจ้าพรหมทัต ได้ช่วยกันตัดเชือกที่ผูกมัดกษัตริย์เหล่านั้นออกประคับประคองให้นอนนำอาหารอ่อนมาให้เสวยพักฟื้นอยู่ณที่นั้นชั่วเวลาสามวันจึงมีกำลังเป็นปกติดังเดิมแลแล้วสุตโสมโพธิสัตว์ก็เชิญให้โปริษัตกลับไปสู่นครพาราณสีเมื่อได้ฟังดังนั้นโปริษัตก็ร้องให้ฟุบอยู่แทบพระยุคลบาทของสุตโสม แล้วก็ทูลว่าพระสหายจงพาพระราชาทั้งหลายเสด็จกลับและพระองค์เองก็จงเสด็จกลับเถิดหม่อมชั้นจะกินรากไม้ผลไม้อยู่ในป่านี้สุทสมได้สดับแล้วทรงสงสารและสังเวทยิ่งนักพระองค์ทรงทราบดีว่าเหตุไรโปริษาจึงไม่สมัครใจกลับสู่แคว้นกาสีแต่เมื่อทรงแน่พระทัยจึงตรัสถามว่าโปริษา เพราะเหตุใดท่านจึงไม่อยากกลับสู่พาราณสีท่านจะทำอะไรอยู่ในป่านี้แคว้นของพระองค์น่ารื่นรมจงเสด็จกลับไปเสวยราชสมบัตินานครพาราณสีนั้นเถิดพระองค์ตรัสอะไรอย่างนั้นบริษัททักท้วงหม่อมฉันไม่อาจไปพาราณสีได้ดอก เพราะชาวนาครทั้งสิ้นเป็นศัตรูต่อหม่อมชันจักดา ว, ว่าบริพาธหม่อมชันว่ากินมารดาบิดาบุตรภรยาและญาติพี่น้องของเขาดังนี้เป็นต้นจากจับหม่อมชันในฐานะเป็นโจรจากปรงชีวิตของหม่อมชันด้วยท่อนไม้หรือก้อนดินไม้คอนหอกหรือขวานส่วนหม่อมชันรับศีลในสำนักของพระองค์แล้วก็ไม่อาจจะฆ่าเขาได้ แม้ต้องเสียชีวิตของตนเองเพราะฉะนั้นหม่อมชั่นจึงไม่มีประสงค์จะไปในเมืองพาราณสีหรือเมืองใดๆทั้งสิ้นหม่อมชั่นอดเนื้อมนุษย์แล้วชีวิตคงเป็นไปได้ไม่ยาวนานการเห็นพระองค์ครั้งนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายขอพระองค์เสด็จไปเถิดหม่อมชั่นจะอยู่ที่นี่กล่าวแล้วก็ร้องไห้เพราะเกิดความสังเวชใจปริศาสหายรัก พระโพธิสัตว์ตรัสปลอบพร้อมด้วยรูปหลังโพธิสัตว์อย่างปราณีท่านรู้จักดีแล้วมิใช่หรือว่าข้าพเจ้าคือสุตสมคนโหดร้ายทารุณอย่างท่านข้าพเจ้าฝึกได้เชไหนเล่าข้าพเจ้าจะฝึกชาวนครพารณาสีมิได้ไปเถิดข้าพเจ้าจะมอบราชสมบัติในพารณาสีให้ท่านครองดังเดิมหากทําการครั้งนี้ไม่สําเร็จข้าพเจ้าจะแบ่งราชสมบัติของนครอินทปัต ให้ท่านครองครึ่งหนึ่งดูเถิดอัธยาศัยแห่งพระโพธิสัตว์ช่างโอลาและประนีตอะไรเช่นนั้นการกระทำและคำพูดของคนย่อมสออัธยาศัยแห่งตนน้อยนักที่จะปิดไว้แม้กระนั้นแล้วโพธิสัตว์ก็ยังหวาดหวัน่นเกรงภัยจะมาถึงตนจึงกล่าวอีกว่าแม้ในนครของพระองค์หม่อมชันก็มีศัตรูมาก ยากที่จะอยู่ได้พระเจ้าสุตโสมทรงดำริว่าปอริศา ท, ทำตามคำแนะนำของพระองค์ย่อมละการกินเนื้อมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาต้องฝืนใจแลนับว่าทรรมกิจที่ทำได้ยากเขาจะพยายามให้เขาได้กรองราชตามเดิมแต่ก่อนอื่นต้องให้เขามีความกระตือรือร้อนในรัชสมบัติเจ้ยก่อนเราจะพยายาม ให้เขาได้กรองราดตามเดิมแต่ก่อนอื่นต้องให้เขามีกระตือรือร้นในรัชสมบัติเจ้าก่อนทรงดำริดังนี้แล้วจึงตรัสว่าท่านเคยบริโภคแต่อาหารอันโอชารสล้วนแต่เป็นเนื้อสัตว์สีเท้าและนกอันพวกห้องเครื่องผู้ฉลาดปรุงด้วยฝีมือเลิศดุดเท้าโกสีจอมเทวดาสวยสุทาโภ o ฉไนจะละทิ้งอาหารเลิอดรสเช่นนั้นแล้วพอใจอยู่แต่คนเดียวในป่านางกษัตริย์ล้วนแล้วแต่เอวบางร่างเล็กสะโอดสะองค์ประดับประดาด้วยผ้าและเครื่องอาภรณ์อย่างดีเคยแวดล้อมบำเรอท่านให้ชื่นบานดุจเทพอับซร อ, อันแวดล้อมด้วยพระอิน์ในแดนสูงฉไหนจะละทิ้งนางงามปานนั้นพอใจอยู่ในป่าแต่คนเดียว พระท่านที่บันทมเหล่าก็มีพนักแดงปูลาดด้วยผ้ากโกชาวงดงามยิ่งประดับด้วยเครื่องอลังการตระการตายิ่งท่านเคยบันทมเป็นสุขในแท่นเช่นนั้นฉไหนจึงละเสียมายินดีพอใจในป่าแต่ผู้เดียวเวลาพรบคํามีการฟ้อนรำส่งสำเนียงดนตรีไพเราะประสานเสียงนักร้องและผู้ฟ้อนรำเหล่า ก็ล้วนแต่เป็นสตรีเลโฉมไม่มีบุรุษเจือเมื่อเป็นเช่นนี้ฉไหนจึงคิดละทิ้งเสียพระราชอุทยานเล่ามีนามอัลล่ำหลือว่างามยิ่งชื่อมิกาชินวัตรบริบูรณ์ด้วยบุพชาติต่างๆหลากสีหน้ายินดีเพลิดเพลินยิ่งนักพระนครเล่าก็มั่งคัง่งพร้อมด้วยมา้ารถคชสารฉไหนจึงคิดละทิ้งเสีย พอใจอยู่คนเดียวแต่ในป่าพระโพธิสัตว์ตรัสดังนี้ด้วยหวังพระไทยว่าพระเจ้าโปริสัตว์จะทวนละลึกถึงความสุขเก่าๆแล้วกลับไปสู่พระนครจึงตรัสปลมด้วยโภชนะเป็นต้นฝายอดีตพระเจ้าพรมทัศน์ทรงดำริว่าพระเจ้าสุตโสมทรงพระกรุณาปรารถนาความเจริญแก่เราทั้งเราไว้ในลักษณะกัลยาณธรรม บัดนี้จึงตรัสว่าสถาปนาในอิสริยยศตามเดิมอีกและพระองค์ก็อาจจะสถาปนาได้ด้วยเราควรจะไปเมื่อดำริดังนี้และมีพระทัยชื่นบานประสงค์จะพรนานามิตรธรรมอิงอาศัยคุณของพระโพธิสัตว์จึงตรัสว่าพระสหายสุตสมเออยอะไรที่จะดียิ่งไปกว่าการครบรยาณมิตรไม่มี และอะไรที่จะเลี้ยยิ่งไปกว่าการครบบาปมิตรก็ไม่มีเช่นกันพระจันทร์ในคืนแรมย่อมมืดลงทุกวันทุกวันฉันใดการครบอสสัตว์บุรุษก็ฉันนั้นย่อมเสื่อมลงตามกาลเวลาที่ล่วงไปดูอย่างหม่อมชันเถิดคบคนครัวผู้ลามกจึงต้องลำบากอันเป็นเหตุให้ไปสู่ทุกขติพระจันทร์ในวันข้างขึ้น ย่อมฆ่าคนที่ค่อยๆเต็มดวงขึ้นทุกวันทุกวันชั้นใดการครบสัตว์บุรุษก็ชั้นนั้นย่อมเจริญขึ้นตามวันเวลาที่ล่วงไปดูหม่อมฉั้นเถิดได้อาศัยพระองค์จึงได้ทํากุศลอันเป็นทางนําไปสู่สุขติข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมชนน้ํำตกในที่ดอนย่อมไม่คงที่อยู่ได้นานชั้นใด แม้การครบอสัตว์บุรุษก็ฉันนั้นคบกันได้ไม่นานข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐสุดน้ําตกในส่าย่อมขังอยู่ได้นานฉันใดการครบสัตว์บุรุษก็ฉันนั้นย่อมคบได้นานเหมือนน้ําขังในสักการครบสัตว์บุรุษเป็นคนที่ไม่เสื่อมซามคงทนถาวรตลอดชีวิตส่วนการครบสัตว์บุรุษย่อมเสื่อมเร็ว เพราะสัตบุรุษกับธรรมของสัตบุรุษไกลกันนักพระเจ้าโพริสัททรงพรรณนาพระคุณของพระโพธิสัตว์ด้วยประการดังกล่าวมานี้เพราะความสำนึกพระคุณอันเอิบอิ่มใจพระเจ้าสุตโสมโพธิสัตว์ได้นำพระเจ้าโพริสัท และพระราชาทั้งหลายเสด็จถึงปัจจันตคามชาวบ้านเห็นพระโพธิสัตว์แล้วพากันไปแจ้งความนั้นในเมืองพวกอมน์นานพาพลนิกายเข้าเฝ้าพระโพธิสัตว์ได้เสด็จไปยังเมืองพารณสีด้วยบริวานนั้นในระหว่างทางชาวชนบทได้ถวายเครื่องบรรณาการแล้วตามเสด็จพระโพธิสัตว์ได้บริวารเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, เ, นเวลานั้นพระโอรสของพระเจ้าโปริสัต์ เป็นพระราชากรองพระนครพาราณสีอยู่ท่านการหัตถียังคงเป็นเสนาบดีชาวเมืองได้กราบทูลพระราชาให้ทรงทราบถึงเรื่องพระเจ้าสุตโสมและพระเจ้าโปริษาสกำลังเสด็จมาและยืนยันว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้กษัตริย์ทั้งสองเข้าสู่พระนครแล้วรีบปิดประตูตพระนครเสียจับอาวุธยืนระวังรักษาอยู่พร้อมกัน ส่วนพระโพธิสัตว์ทรงทราบว่าชาวเมืองไม่ยอมให้เข้าเมืองเช่นนั้นจึงพักพระเจ้าโพธิสัตและพระราชาอื่นๆไว้เสด็จเข้าไปใกล้ประตูกับอํามาสองสามคนและตรัสกับชาวเมืองว่าชาวเมืองทั้งหลายข้าพเจ้าคือมหาราชคือสุตโสมกรุณาเปิดประตูด้วยเถิดพวกราชบุรุษไปกราบทูลพระราชาว่าพระเจ้าสุตโสมเสด็จมา ขอร้องให้เปิดประตูเมืองพระราชาตรัสว่าพระเจ้าสุตสมมหาราชทรงเป็นบัณฑิตเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงธรรมตั้งอยู่ในศีลเราจะไม่มีภัยจากสุตสมบัณฑิตอย่างแน่นอนแล้วรับสั่งให้เปิดประตูทันทีพระโพธิสัตว์เสด็จเข้าพระนครพระราชาและการหัตถีเสนาบดีออกรับเสด็จนำเสด็จสู่ปราสาท พระโพธิสัตว์ประทับณราชอาณาจักรแล้วรับสั่งให้หาพระอ克拉มเฮสีและพวกอํามารของพระเจ้าโพริศาสมาและตรัสว่าดูก่อนท่านกะรหถีเสนาบดีเหตุไรพวกท่านจึงไม่ยอมให้พระราชาเข้าพระนครขอเดชะกะรหถีทูลเมื่อพระเจ้าโพริศาสครองราชอยู่นั้นได้กินเนื้อมนุษย์ในพระนครนี้เสียเป็นอันมาก ทรงกระทำกรรมที่กษัตริย์ไม่ควรทำพระองค์มีทําเลวเช่นนี้ฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงไม่ยอมให้พระราชาโปริสัทเข้าพระนครพระโพธิสัตย์ยืนยันว่าบัดนี้ท่านทั้งหลายอยาวิตกว่าโปริสัทจะทำเช่นนั้นอีกเราฝึกให้เข้าตั้งอยู่ในสีแล้วเขาจะไม่เบียดเบียนใครๆอีกแม้ว่าจะต้องเสียชีวิตตน เขาไม่มีภัยต่อใครอีกแล้วท่านทั้งหลายอย่าทำอย่างนี้ธรรมดาบุตรและธิดาจะต้องปฏิบัติมารดาบิดาคนที่เลี้ยงมารดาบิดาจะไปสวรรค์คนที่ไม่เลี้ยงมารดาบิดาต้องตกนรกพระโพธิสัตว์ทรงประทานโอวาทแก่พระราชบุตรผู้ประทับนั่งณอัสนะต่มนี้แล้วจึงตรัสสอนเสนาบดีว่าดูก่อนท่านกาลหัตถีเสนาบดี ท่านเป็นสหายและสเสวิกของพระราชาแม้พระราชาได้ทรงสถาปนาท่านไว้ในตําแหน่งอันสูงสัก์เมื่อเป็นดังนี้ท่านควรประพฤติประโยชน์แก่พระราชาบ้างพระราชะเทวีก็เช่นเดียวกันตรัสกับพระมเหสีของพระเจ้าโปริศาสท่านได้ถึงตําแหน่งอันเลิศกว่านารีใดในแคว้นกาสีเพราะอาศัยบารมีของพระราชา ถึงความเจริญด้วยพระโอรสและพระธิดาแล้วท่านควรประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระราชาในโอกาสเช่นนี้และแล้วพระโพธิสัตว์จึงตรัสย้ำว่าพระราชาที่คิดเอาชนะคนที่ไม่ควรเอาชนะเช่นบิดามารดาไม่ควรเป็นพระราชานสราชายโยอชยยางจินาติเพื่อนที่เอาชนะเพื่อนเป็นเพื่อนไม่ได้ นสโสสขาโยสขารังชินาติภรรยาที่ไม่กลัวเกรงสามีไม่ชื่อว่าเป็นภรรยาณสาภรยาปฏิโนโนะวิเพติบุตรที่ไม่เลี้ยงดูบิดาผู้แก่แล้วไม่ควรชื่อว่าบุตรณเตปุตตาเยนะพระันติชินนางชุมชนที่ไม่มีสัตว์บรุษเป็นสภาไม่ได้ หาควรเรียกว่าเป็นสภาไม่ผู้พูดไม่เป็นธรรมก็ไม่ควรเรียกสัตว์บุรุษคนที่ละราคะโทสะโมหะแล้วพูดเป็นธรรมนั่นแลเป็นสัตว์บุรุษแท้บัณฑิตอยู่ปะปนกับหมู่พานเมื่อไม่พูดก็ไม่รู้ได้ว่าเป็นบัณฑิตแม้พูดก็ต้องแสดงอมตะธรรมจึงจะรู้ได้ว่าเป็นบัณฑิตแท้จริงพึงกล่าวธรรมให้กระจาย พาเซเยโชตเยธรรมังพึงยกธงของพวกฤาษีปักคันเหอิสิตนางทัชชังพวกฤาษีมีคําสุภาสิทิ์เป็นธงสุภาสิทธาชาอิสโยทำแรมเป็นธงของพวกฤาษีธรรมโมวิอิสินางทัโชพระราชาและเสนาบดีได้สดับธรรมมกถาของพระโพธิสัตว์เกิดปีติสมณัต ปรึกษากันจะไปเชิญเสด็จพระราชาจึงสั่งให้คนตีกลองเที่ยวไปในพระนครชาวเมืองประชุมกันแล้วประกาศให้ทราบว่าท่านทั้งหลายอย่า ก, กลัวเลยทราบว่าพระราชาโพธิสัตว์เป็นผู้ตั้งมั่นในธรรมแล้วจงพากันมาเถิดพวกเราจะไปนำพระราชานั้นมาและแล้วมีพระโพธิสัตว์เป็นประมุก พามหาชนออกไปต้อนรับพระราชาโพริาสาตชวนกันถวายบังคมให้ช่างกระบอกแต่งพระเกศาและพระมัสสุให้สงสนานพระองค์ด้วยเครื่องสุคนแต่งพระองค์ด้วยเครื่องพัตราภร์ตามคติยะราชประเพณีแล้วเชิญเสด็จขึ้นกองแก้วเป็นราชบัลลังก์แล้วเชิญเสด็จเข้าสู่พระนครพระเจ้าโพริสตรัต ได้ทรงกระทำสักการะแก่พระโพธิสัตว์และกษัตริย์ทั้งหลายมโหรารยิ่งทั่วชมพูทวีปเกิดการเรื่องลือกันว่าบัดนี้พระโพธิสัตว์สุตสมได้ฝึกพระเจ้าโพริสัตให้มั่นอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมแล้วและได้ดํารงอยู่ในราชสมบัติประชาชนชาวนาคร อ, อินทปัตภูมิใจในพระราชาของตนอย่างใหญ่หลวง ได้ส่งทูตไปเชิญเสด็จพระโพธิสัตว์กลับพระนครกระสัแห่งโกรับพยะประทับอยู่ในพระนครพารณาสีนั้นประมาณเดือนหนึ่งตรัสสอนพระเจ้าโพริสัตให้มันทําบุญทําทานโดยให้ตั้งโรงทานขึ้นห้าแห่งคือที่ประตูพระนครสี่แห่ง และที่ประตูพระราชวังอีกหนึ่งแห่งให้ทรงบำเพ็ญทานประพฤติทศพิตรัชธรรมสิบประการไม่มีอคติในการวินิจฉัยคดีโดยมีพระดำรัสขยายความว่าผู้เป็นใหญ่ควรมีธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจผู้น้อยกล่าวคือมีการเสียสละทรัพย์และเวลาเพื่อผู้น้อยตามโอกาสอันควรโดยธรรมดาผู้น้อยย่อมหวังพึ่งผู้ใหญ่ของตน การตั้งโรงทานนั้นจริงอยู่อาจมีบางคนมาขอเพราะเกียรติคร้านทำงานแต่อาจมีคนจํานวนมากที่มีความลำบากจริงจึงต้องบากหน้ามาพึ่งการได้สงเพราะคนที่มีความลำบากจริงจริงแม้สักเพียงคนหนึ่งก็ก่อให้เกิดปีติประโมทแก่ผู้ให้ไปนานและลึกขึ้นทีไรก็มีความชุ่มชื่นใจทุกครั้งอเ น, นึ่งเล่า คนที่ให้ทานได้มากก็เพราะมีทรัพย์อยู่มากทรัพย์เหล่านั้นไม่อาจนำติดตัวไปได้เมื่อสิ้นชีพแล้วจึงควรแปลสภาพทรัพย์ให้เป็นบุญกุศลเพื่อจะติดตามตนไปในสัมภรยพอํานวยความสุขให้ต่อไปหากพระราชาทำได้เช่นนี้ก็จะเป็นทิฏฐานุุคติให้เป็นคนมั่งคั่งทั้งหลายดำเนินตามบ้านเมืองจกร่มเย็น อันหนึ่งกษัตริย์พึงตั้งตนอยู่ในราชธรรมสิบประการคือ 1. ทานตามที่กล่าวแล้วสศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเว้นการเบียดเบียน 3. บริจาคคือการสมเคราะห์อนุเคราะห์แก่ข้าราชการและข้าราชบริพารตามควรแก่ฐานนะอันหนึ่งพึงสละความสุขส่วนตนเพื่อคนหมู่มาก 4. อัจฉวะ ความซื่อตรงเป็นผู้ซื่อตรงต่อรัศดรไม่หลอกลวงรัศดรมีสัจจะต่อเขาจะประพฤติสิ่งใดให้นึกถึงความเดือดร้อนหรือความเป็นสุขของรัศดรก่อน 5. มัทธวะความอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างด้วยถือตนว่าเป็นพระราชารู้จักให้เกียรติผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาและคนชราผู้เท่าผ่านโลกมานาน 6. ตบะ พระพฤติตนเป็นคนน่าเกรงใจไม่วางตัวต่ำจนราษดรดูหมิน่นและไม่วางตัวสูงจนเข้ากับราษดรไม่ได้ให้ราษดรรู้สึกว่าการทำอะไรให้พระราชาของเขาเกิ้วนั้นเป็นความทุกข์อย่างใหญ่หลวงของเขาให้เขามีความรู้สึกอย่างจริงใจเช่นนี้และพระราชาต้องพยายามให้คุณธรรมเผาผลาญความชั่วที่เกิดขึ้นในพระทยัย อย่าให้รั่วไหลออกมาทางกายวาจาได้จะเป็นที่ดูหมิ่นของราษฎรทั้งหมดนี้เรียกว่าตบะ 7. อโกทะความไม่โกรธไม่ขุนใจมีอาการเหมือนไม่มีอะไรทำให้โกรธได้แต่ควรปฏิบัติราชกิจไปตามพระราชภาระที่มาถึง 8. อวิหิงสาความไม่เบียดเบียน ไม่แสวงหาสุขเพื่อตนโดยการโยนทุกข์ให้แก่ผู้อื่นพระราชาต้องตั้งพระทัยมั่นว่าความทุกข์ของรัษดรคือความทุกข์ของตนเอง 9. ขันติความอดทนทนต่อความลำบากทนต่อทุกขเวทนาอาพาธทนต่อสแสลงใจ 10. อวิโรธนะความรักษาปกติภาพของตนไว้ ไม่แสดงอาการซบเซาเศร้าโศกเมื่อเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาประสบทุกข์และไม่แสดงอาการลิงโลดเหมือนเด็กๆเมื่อได้ลาบได้ยศได้รับสารเสริญและได้รับความสุขเมื่อได้ถวายโอวาทแก่พระเจ้าโพธิสัตว์แล้วพระโพธิสัตว์ก็ทูลอัมลาพระโพธิสัตว์เสด็จเข้าสู่พระนครที่ประชาชนชาวอินทปัตธระตกแต่งไว้ ตราการตาประหนึ่งเมืองแห่งเทพถวายบังคมพระราชบิดามารดาทรงประทรมปฏิสันธานอันไพเราะและเสด็จขึ้นสู่ท้องพระโรงจับร่งพร้อมด้วยอามาร์มนตรีขราชบริพานฝ่ายพระเจ้าโปิษาสเสด็จเหลืองถวายราชสมบัติโดยธรรมแล้วทรงดำริว่ารุขเทวดามีอุปการะมากแก่เรา เราจักทาลาบคือปรีกรรมแก่ท่านรับสั่งให้สร้างสระใหญ่ใกล้ต้นไซทรงส่งตระกูลไปเป็นอันมากตั้งเป็นตาบลขึ้นได้กลายเป็นตาบลใหญ่มีร้านค้ามากมายมีทางดีแล้วรับสั่งให้ปรับพื้นบริเวณต้นไซให้สวยงามมีภูมิภาคราบเรียบให้แวดล้อมด้วยกําแพงมีเสาและประตูวิจิตเพืพ่อพราย เทวดาชื่นบานเป็นอย่างยิ่งตำบนนั้นได้ชื่อว่ากามาสบาทเพราะเป็นสถานที่ฝึกพระเจ้ากรมาสบาทคือเท้าด่างและเคยเป็นที่ประทับของพระองค์ด้วยพระศา ส, สดาทรงนำเรื่องนี้มาเล่าแก่ภิกษุทั้งหลายจบลงแล้วจึงประกาศอริยสัจแล้วตรัสสรุปว่าบุรุษทั้งหลาย ตถาคตได้ฝึกพระองคุลิมานในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้สมัยเธอเป็นโจรโพริศาสตร์เราก็ได้ฝึกเธอมาแล้วเหมือนกันบัณฑิตสุตรสมคือเราตถาคตนี่เองข้อความในบทที่45ทั้งหมดได้คัดจากคำบรรยายประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาตอนที่5ถึง6โดยสทียนโพธินันทะฉบับพิมพ์พุทธศักราช2599บ จึงขออุทิศ ส, ส่วนแห่งความดีในบทนี้ทั้งหมดบูชาดวงวิญญาณของอาจารย์สถียนโพธินันทะผู้ล่วงลับขอให้บุญกุศลอันนี้จงมีส่วนเพิ่มโพลปิติประโมทแก่ดวงวิญญาณอันประเสริฐของท่านผู้มีนามดังกล่าวด้วยวสินอินทสระ